ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวินัยะสังฆะอัตตกถาพระสารีบุตรมหาเถระชาศีลังการจนาพระมหาอาคมธรรมาคาโมแปลรืคองการรับประเคตต่อพวกทายกวางหม้อข้าวต้มไว้แล้วไปเสีย สามเณรเล็กไม่อาจให้พิสูต ร, รับประเขยหม้อข้าวต้มนั้นด้านพิสูตเอียงบาศเข้าไปสามเณรวางคอหม้อบนขอบปากบาศแล้วเอียงลงเข้าต้มที่ไหลไปในบาศเป็นอันรับประเขยแล้วแลอีกอย่างหนึ่งพิสูตวางมือลงบนพื้นสามเณรหมุนไปวางลงบนมือของพิสูตนั้นควรอยู่แม้ในกระเช้าขนมและกระเช้าข้าวสวย หรือว่ากระบุงขนมกระบุงข้าวสวยและมัดอ้อยเป็นต้นก็ในนี้เหมือนกันก็คือของนั้นนะ่ะจะเป็นข้าวต้มซึ่งสมณเณรไม่สามารถที่จะยกขึ้นได้แต่ว่าข้าวต้มนั้นนะ่ะเป็นของที่บรรุษปานกลางยกไหวแต่สมเณรตัวเลก็กจะยกไม่ไหวก็เลยหมุนหม้อมาหรือว่าเอียงหม้อเทลงในบาสนี่ก็ใช้ได้แม้ไม่ได้ยกขึ้นจากพื้น าสามเณรสองสามรูปจะช่วยกัรถวายภาระของหนักที่ควรประเคียนได้หรือพิสูตสองสามรูปจะช่วยกันรับของที่คนมีกําลังแข็งแรงคนเดียวยกขึ้นถวายควรอยู่ชนทั้งหลายแขวนหม้อน้ำมันหรือว่าหม้อน้ำอ้อยไว้ที่เท้าเตียงหรือตัง่งพิสูตจะนั่งบนเตียงก็ดีบนตังก็ดีควรอยู่อันนี้ก็ไม่เป็นไรน้ำมันเป็นต้นนั้นจะชื่อว่าเป็นอุกหิตหามิได้ ไม่ได้ไปจับโดยตรงเป็นนั่งบนเตียงบนตังคแต่ว่าเขาแขวนหม้อน้ํามันเป็นต้นเอาไว้บนขาเตียงขาตัางนั้นก็ไม่เป็นไรไม่ได้มีเจตนาจะไปจับต้องก็ไม่เป็นอุกอาิตหม้อน้ํามันสองหม้อเป็นของที่เขาแขวนไว้บนไม้ฟันหน้าหรือว่าบนขอหม้อบนรับประเคนแล้วหม้อล่างยังไม่ได้รับประเคจะจับหม้อบนควรอยู่ หม้อล่างรับประเขนแล้วหม้อบนยังไม่ได้รับประเขนเมื่อพิกษุจับหม้อบนแล้วจับหม้อล่างหม้อบนเป็นอุกหิตเพราะฉะนั้นอันไหนที่ยังไม่ได้รับประเขนก็ไม่ควรไปจับภายใต้เตียงมีถ้วยน้ำมันยังไม่ได้รับประเขนถ้าพิกสุกวาดเอาไม้กวาดกระทบถ้วยน้ำมันน้ำมันนั้นยังไม่เป็นอุกหิตเอาไม้กวาดไปโดนของที่ยังไม่ได้รับประเขนนี่ไม่เป็นอุกหิต เร่สยซตั้งใจว่าเราจะหยิบของที่รับประเคนไว้แล้วไพร่ไปหยิบของที่ไม่ได้รับประเคน ร, รู้แล้วกลับวางไว้ในที่ตนหยิบมาของนั้นไม่เป็นอุกหิติถ้าเผลอไปจับโดนข้าวไม่ได้ตั้งใจในการที่จะไปจับของที่ไม่ได้รับประเคนเนี่ยอันนั้นก็ไม่เป็นอุกหิตันนี้ก็ต้องเป็นสัจจคติเมื่อ น, นำออกมาภายนอกแล้วจึงรู้อย่าตั้งไว้ข้างนอก พึงนํากลับเข้าไปตั้งในที่เดิมนั่นเองไม่มีโทษไปหยิบมาแล้วก็อา้าวนี่ยังไม่ได้รับประเคนนี่เพราะฉะนั้นก็เอาไปเก็บไว้ในที่เดิมไม่เป็นไรแต่ถ้ามีความต้องการในการนิยัชันก็ให้อนุสัมบัญมาประเคนอันนี้ก็ไม่มีโทษก็ถ้าว่าถ้วยน้ํามันนั้นเมื่อก่อนวางเปิดไว้ไม่ควรปิดเพึงวางไว้ตามเคยเหมือนที่วางอยู่ก่อนถ้าวางไว้ข้างนอกอย่าไปแตะต้องอีก ถ้าเกิดเอาไปวางไว้ข้างนอกก็ไม่จําเป็นยังต้องไปแตะต้องแล้วก็ให้รัฐบาลไปจับราขึ้นในน้ํามันเป็นต้นที่รับประเคตแล้วผงราขึ้นที่แง่งขิงเป็นต้นราหรือว่าผงราหนั่นธรรมดาเกิดในน้ํามันและขิงนั้นนั่นเองไม่มีเกียรติที่จะต้องรับประเคตใหม่ก็คือมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในน้ํามันที่รับประเคตไว้แล้ว่นะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องประเคตใหม่แต่ว่า ฉันก็ไปก็มีโทษนะกัดโปรแกรมทิ้งไปคนขึ้นต้นตาลหรือต้นมะพร้าวเอาเชือกรยทถลายผลตาลลงมายังคงอยู่ข้างบนกล่าวว่านิมนต์ท่านรับเถิดอย่าพึงรับเพราะว่าอยู่บนต้นมะพร้าวสูงไม่ได้หัตถบาสถ้าอยู่ในหัตถบาลยังรับประเคนได้นี่อยู่นอกหัตถบาลถ้าคนอื่นยืนอยู่บนพื้นดินจับที่ห่วงเชือกยกถวายจะรับควรอยู่ คนที่อยู่บนพื้นดินก็อยู่ในไฮโดรบาลก็จับที่เชือกนั้นยกถวายก็ได้เพิกตุให้ทํากิ่งไม้ใหญ่ที่มีผลให้เป็นกับิยะแล้วรับประเคินผลทั้งหลายเป็นอันเพิกตุ ร, รับประเคินแล้วเหมือนกันก็คือประเคินทั้งกิ่งไม้เลยกิ่งไม้ใหญ่นะั้นมีผลไม้ด้วยแล้วก็ให้ทํากับิยะที่ต้นไม้นั่นน่ะที่กิ่งไม้นั่นน่ะผละไม้นั้นเป็นการรับประเคินแล้วก็เป็นการทํากับกิบยะแล้ว ก็ควรบริโภคได้ตามสบายชนทั้งหลายยืนอยู่ภายในรั้วแหวกรั้วลอดรั้วออกมาถวายอ้อยรำหรือว่าผลมะพร้าวเมื่อได้หัตถบาสก็ควรรับเมื่อพิกษุรับอ้อยรำหรือว่าผลมะพร้าวนั้นที่ลอดออกมาไม่ถูกบนเคร้ารั้วคือไม่พลาดบนไม้ล้อมรั้จกงควรในอ้อยรำและผลมะพร้าที่ลอดออกมาถูกบนเคร้ารั้ว ท่านไม่ได้แสดงโทษไว้ในอัตกราทั้งหลายแต่พวกเราเข้าใจว่าจากฐานที่ลำอ้อยเป็นต้นถูกเป็นเหมือนหยิบของตกขึ้นเองแม้คำ น, นั้นย่อมใช้ได้ในเมื่อของออกไปไม่หยุดเหมือนพันดกที่โยนให้ตกกลิ้งไปภายนอกด่านภาษีเะนั้นพวกชนโยนของข้ามรัว้วหรือกำแพงถวายแต่ต้งกำแพงไม่หนา หัตถบาทย่อมเพียงพอแก่ผู้ยืนอยู่ภายในกำแพงแล้วก็ภายนอกกำแพงที่จะรับของที่สะท้อนเพือคือโยนให้ขึ้นสูงแม้ตั้งร้อยศอกแล้วก็ลอยมาลอยมาถึงก็ควรอยู่ก็คือโยนข้ามกำแพงมาแต่ว่าต้องหยุดในหัตถบาทยโยนขึ้นกำแพงเพราะว่ากำแพงมันกั้นเอาลอดไปไม่ได้มีรูก็เลยโยนขึ้นไปบนฟ้านันตกลงมาอาบาดรับหรือวมือรับก็ ใช่ได้ถ้าอยู่ในฮัตตาบาร์คนโยนให้อยู่ในฮัตตบา ร, ตร์พระภิกษุภิกษุให้สา ม, มเณรอาพาธขี่คอไปสา ม, มเณรเห็นผลไม้น้อยใหญ่เก็บถวายทั้งที่นั่งอยู่บนคอภิกษุจะรัก็ควรบุคคลอื่นแบกภิกษุไปถวายผลไม้แก่ภิกษุผู้นั่งอยู่บนคอสมควรรับเหมือนกันภิกษุถึงกิ่งไม้มีผลเพื่อต้องการร่มเดินไป เมื่อเกิดความคิดอยากจะฉันผลขึ้นมาพอดีกิ่งไม้มันก็มีผลด้วยจะให้อนุสัมบันธ์ประเคนแล้วฉันควรอยู่ก็ไม่เป็นอุกหิตเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจในการที่จะไปจับผลที่สุให้ทำกับยะกกิ่งไม้เพื่อไล่มแมลงวีหรือว่ า, มาแมลงวันแล้วรับประเคนไว้หากว่ามีความประสงค์จะฉันการรับประเคนไว้เดิมนั่นแหละยังใช้ได้อยู่ไม่มีโทษแก่ที่สุผู้ฉัน ที่สุวางพันดะที่ควรรับประเคีนไว้บนยานของพวกชาวบ้านเดินทางไปยานติดลมที่สุหนุ่มจับล้อดันขึ้นควรอยู่ก็คือของนั้นยังไม่รับประเคียนเอาวางไว้บนยานแต่ถ้ายานติดลมก็ไปจับล้อดันขึ้นก็ไม่เป็นการจับไม่เป็นอุกหิตสิ่งของนั้นไม่ชื่อว่าเป็นอุกขิตศที่สุวางของที่ควรรับประเคีนไว้ในเรือเอาไม้พายแจวเรือไป หรือเอามือคุ้ยไปควรอยู่แม้ในพ่วงแพรก็ในนี้เหมือนกันที่สุดแม้วางพันดะไว้ในตุ่มก็ดีในคอนโทก็ดีแล้วใช้ให้อนุสบันถือพันดะนั้นจับแขนอนุสบันข้ามน้ําไปควรอยู่แม้เมื่อตุ่มเป็นต้นนั้นไม่มีให้อนุสบานถือแล้วจับอนุสบานที่แขนข้ามไปนั้นก็ควรกมม็ไม่ใชการที่จะไปจับของเนื่องด้วยกายทําให้เป็นอุกหิณหรอ พวกอุมาตกถวายข้าสารเป็นเสเบียงแต่พวกพิสุผู้เตรียมตัวจะเดินทางพวกสมเนธช่วยถือข้าสารของพิสุทั้งหลายแล้วไม่อาจถือเก้าสารส่วนของตนเองพวกพิสุจึงช่วยถือเก้าสารของสมเนธเหล่านั้นสมเนธทั้งหลายเมื่อเก้าสารที่ตนถือหมดแล้วก็คือเอาไปหุงเป็นสเบียงทางระหว่างเดินทางหมดแล้วก็เอาก้าสารนอกนี้ต้มข้าต้มคือเอาข้าสารของตนเองที่พระบิณฑุถือไปให้ ตั้งบาทของภิกตุสามเณรทั้งหมดไว้ตามลำดับแล้วเทเข้าต้มลงสามเณรผู้ฉลาดเอาบาทของตนถวายแต่พระเถระถวายบาทของพระเถระแต่พระเถระรูปที่สองเปลี่ยนบาทกันทั้งหมดอย่างนี้เป็นต้นจนทั่วถึงกันเป็นอันภิกตุทั้งหมดฉันเข้าต้มของสามเณรควรอยู่เราแต่วิธีการในการที่จะไม่ให้มีโทษคือว่า ไม่มีความสงสัยกรืความแค้ใจว่าจะไปทำวัตถุไปจับอาหารที่ยังไม่รับเคหนก็คือเป็นอุกหิตถ้าแม้ว่าสามเณรเป็นผู้ไม่ฉลาดเริ่มจะดื่มข้าวต้มในบ่ายของตนด้วยตัวเองเท่านั้นพวกพระเถระควรจะขอดื่มไปตามลำดับดังนี้ว่าผู้มีอายุจงให้ข้าวต้มของเธอแก่เราดังนี้ทิกตัวทั้งหมดฉันของสามเณรเท่านั้น เป็นอันที่ตุทั้งหมดไม่ต้องโทษเพราะอุกเหตเป็นปัจจัยไม่ต้องโทษเพราะสันนิธิเป็นปัจจัยเราะว่าฉันโงสมะเนรแต่ในการเปลี่ยนบาดกันนี้ความแปลกันแห่งที่ตุทั้งหลายผู้นำน้ำมันเป็นต้นไปเพื่อมารดาบิดาและนำกิ่งไม้เป็นต้นไปเพื่อต้องการร่มเป็นต้นตับที่ตุผู้แรกเปลี่ยนกันเหล่านี้ไม่ปรากฏก็คือไม่แปรกันใช่ได้เหมือนกัน เอากิ่งไม้ถือกิ่งไม้ไปมีผลไม้อยู่ด้วยเกิดเนื่องจากจะฉันให้กรมเณ น, นประเคนให้ใหม่อันนี้ก็ไม่เป็นอุขิิตหรือว่าถือน้ำมันที่ยังไม่รับรเคนไปเพื่อมารดาเนี่ยนะเมื่อไประหว่างทางป่วยอาพาธก็ให้เขาประเคนน้ำมันนั้นฉันได้เหมือนกันไม่เป็นอุขหิตเพราะว่าไม่มีเจตนาจะจับต้องมาเพื่อฉันเพราะฉะนั้นบัณฑิตพึงใคร้ครวญหาเหตุ สามเณรประสงค์จะหุงขาา้าวไม่อาจจะสาวข้าวสารให้หมดกลวดทรายได้สามเณรก็คงยังเล็กมากนะเที่ยงสุขึงรับประเคนเข้าวสารและภาชนะสาวข้าวสารให้หมดกลวดทรายแล้วยกภาชนะขึ้นสู่เตาเถิดก็รับประเคนทั้งข้าวสารเลยได้แต่ว่าไปรับประเคเข้าเปลือกไม่ได้มีอับัตเป็นอนามาส ก, ก็ยาพึงก่อไฟ ในเวลาหุงจะต้องเปิดดูจึงจะรู้ความที่ข้าวเป็นของสุกได้ถ้าข้าวสุกไม่ดีจะปิดเพื่อต้องการให้สุกไม่ควรจะปิดเพื่อต้องการไม่ให้ผงหรือขี่้ท่าตกลงไปควรอยู่เดังนั้นก็ต้องมีสติสำชัญยญ์อย่างมากเลยในการที่จะถ้าเกิดเปิดดูแล้วข้าวยังไม่สุกนี่จะปิดให้มันสุกนี่ไม่ควรแต่ถ้ามานาักสการว่าเดี๋ยวผงเดี๋ยวฝุ่นจะตกลงไปที่้ท่าจะตกลงไปก็ ิดเสียอันนี้ก็ไม่เป็นรันเมื่อเวลาสุกแล้วจะปรงลงก็ดีจะชันก็ดีควรอยู่ไม่มีกิจที่จะต้องรับกระเคนใหม่ที่ไม่ให้ติดไฟเองเพราะอะไรเพราะว่าจะเป็นสามะประกาศวั ต, ตุนี้จะไปหุงต้มเองนีไม่ควรเอาไปตั้งบนเตาแล้วก็ให้สามเณรนะติดไฟสามเณรสามารถจัดหุงได้แต่เธอไม่มีเวลา เธอประสงค์จะไปในที่บางแห่งที่สุดรับตะเคนภานชนะพร้อมทั้งข้าวสารและน้ำแล้วก็ยกขึ้นสู่เตาเพิ่งกล่าวว่าเธอจงก่อไฟให้ติดแล้วไปเถิด็ให้ก่อไฟต่อจากที่ไฟติดโทงแล้วนั้นจะทำกิจทุกอย่างสมควรโดยนายก่อนเหมือนกันเพราะว่าไม่ได้หุงเองแต่ว่าสมณเณรเป็นคนที่ติดไฟหุงเพงแต่เพิสุดูเท่านั้นเอง ข้าวสารนั้นรับประเคนแล้วเพราะฉะนั้นถ้ามันสุกแล้วก็ลงลงชันได้เลยพีกสุตั้งภาชนะสะอาดต้มน้าเดือดไว้เพื่อประโยชน์แก่ข้าวต้มควรอยู่เพราะว่าต้มน้ำเดือดนี้ไม่ได้ทำอะไรให้สุกเมื่อน้ำเดือดแล้วสำเนินก็กรอกข้าสารลงก็แต่นั้นไปพี่สุอย่าพึงเร่งไฟจะรับประเคนเข้าวต้มที่สุกแล้วดื่มก็ควรอยู่ เพราะฉะนั้นก็ให้ต้มน้ำเดือดไปได้สามเณรก็เอาข้าวสารมาใส่ลงพิสุอย่าไปเร่งไฟถ้าสุกแล้วให้สามเณรมาประเคนก็ฉันได้สามเณรต้มยาคูอยู่พิสุขนองมือเล่นจับภาชนะจับฝารมีปาดฟองที่พุ่งขึ้นทิ้งไปเฉพาะพิษุนั้นไม่ควรจะดื่มเป็นทุกข์กดชื่อว่าทุรุปจินนะอันนี้ก็จับเพื่อเล่น ไปจับเล่นไปจับด้วยความขนองก็งเป็นความประพฤติที่ไม่ดีก็ถ้าว่าพิกษุจับทัพพีหรือว่ากระบวยแล้วคนไม่ยกขึ้นข้าวต้มนั้นไม่ควรแก่พิสุทั้งหมดเลยจ่อมเป็นทั้งสามะประกะทั้งทุปรปจินนะด้วยถ้ายกขึ้นเป็นทั้งอุกขิทิ์อีกหมายถึงว่าเอาทัพพีเนี่ยไปนคนกระบวยนี่นะหรือทัพพีเนี่ยไปนคนไม่ยกขึ้น ก็เป็นทั้งสามะปะกะด้วยเป็นทุรุประจินนะด้วยแล้วก็เมื่อยกขึ้นมาก็เป็นอุกรหิต ด, ด้วยเพราะฉะนั้นฉันก็้าไปก็บาดสามตัวเลยนะบาดสามะปะกะทุกข้อตัวหนึง่งทุรุประจินนะจับเล่นตัวหนึง่งแล้วก็อุกระหิตจับของที่ยังไม่ได้รับประเคนตัวหนึง่งเทศสุเที่ยวบินทบาดวางบาทไว้บนเชิงรองก็คือวางบาทที่ยังไม่ได้รับประเคน ถ้าภิกษุโลเลรูปอื่นอยู่ในที่นั้นจับต้องบาศจับต้องฝาบาศพัดที่ได้จากบาสนั้นไม่ควรเฉพาะแก่ภิกษุโลเลนั้นแต่ถ้าเธอยกบาศขึ้นแล้วไม่วางไว้ไม่ควรแก่ภิกษุทุกๆุกรูปเลยเพราะของนั้นนี้ยังไม่รับประเคนภิกษุไปเที่ยวบินดบาศวางบาศไว้บนเชิงรองบาศนั้นก็หมายถึงบาศอาจจะมีเศษอาหารตกลงไปจะต้องรับประเคนใหม่ เพราะฉะนั้นที่สูรุ่นเลยไปจับไม่ควรฉันถ้ายกบารขึ้นก็ที่สุรอื่นก็ไม่ควรฉันหมดเลยที่สูรจับกิ่งไม้หรือเถาวันเขย่าผลไม้ที่เกิดอยู่บนต้นไม้เป็นต้นนั้นผลที่ได้จากกิ่งไม้หรือว่าเถาวันนั้นไม่ควรแก่ที่สูรผู้เขย่านั้นเหมือนกันและเธอย่อมต้องทุรุปจินนะทุกกดด้วยท่านกล่าวไว้ในมหาปัญจเราว่าที่สุร์จะค้ำต้นไม้มีผล หรือผูกหนามไว้ที่ไม้นั้นควรอยู่ไม่เป็นธุรปรจินนะฝ่ายที่ตูเห็นผลไม้มีผลมะม่วงเป็นต้นที่หล่นในป่าตั้งใจว่าเราจะให้แต่จำมะเด น, นแล้วนำมาให้ควรอยู่เสียกตูเห็นเนื้อเดนแห่งสีหะเป็นต้นคิดว่าเราจะให้แต่จำมเด น, นรับประเขนก็ตามไม่ได้รับประเขนก็ตามนำมาให้ควรอยู่ก็หยิบมาได้เลยถ้าเห็นผลไม้ผลมะม่วงตกหรือว่า เนื้อทีเป็นเดนของเสือราชสีต่างต่างก็ถ้าอาจจะชําระวิตกให้หมดจดได้แม้จะขบฉันอาหารที่ได้มาจากเนื้อเป็นเดนสีหะเป็นต้นนั้นก็ควรถ้าเกิดไม่เกิดร้อนใจหรือว่าไม่กังวลชําระวิตกได้ก็ถือว่ามาเยอจิตบริตรเพราะฉะนั้นสําเนาเอามาประเกคนให้ก็ฉันได้แต่ถ้าเกิดมีจิตคิดไม่ดีชำระจิตไม่ได้ก็ไม่ต้องฉัน ก็ไม่ต้องโทษเพราะการรับประเคหนื้อดิบเป็นปัจจัยและไม่ต้องโทษเพราะของอุกหิตเป็นปัจจัยเลยเพราะว่าภาคที่สุดรับประเคเนื้อดิบอบัตบทุกกฎแล้วก็ไปจับต้องอาหารที่ยังไม่รับประเคก็อุกขิตฉันก็ไปต้องอบัตบทุกกฎแต่ถ้าชมรักจิตในบริสุทธิ์นี่คิดว่าจะไปให้สามเณรก็ไม่มีอบัติจับเนื้อดิบมาแต่ว่าจับของที่ยังไม่รับประเคมาให้สามเณรในจิตบริสุทธิ์ก็ไม่เป็นไร เมื่อพิกษุถือน้ำมันเป็นต้นเดินไปเพื่อประโยชน์แก่มารดาและบิดาเกิดพยาธิก็คือป่วยไข้ขึ้นในระหว่างทางจะรับประเคสิ่งที่ตนปรารถนาจากน้ำมันเป็นต้นนั้นแล้วฉันควรอยู่แสดงว่าน้ำมันนั้นก็ยังไม่ได้รับประเคสแต่ถ้าเป็นของพิสุ ร, รับประเคสไว้แม้ในครั้งแรกไม่มีกิจที่จะต้องรับประเคหม่พิกษุนำข้อสารมาให้เพื่อประโยชน์แก่มารดาและบิดา มารดาและบิดานั้นจัดตรงข้าวต้มเป็นต้นจากข้าวสารนั้นนั่นเองถาวายแก่ทิฏฐานั้นควรอยู่ไม่มีโทษเพราะสารนี้ที่เป็นปัจจัยหรือเพราะของอุกหิตเป็นปัจจัยก็อนปฏิสูธิได้ข้าวสารมานี่ก็ตั้งใจจะเก็บไว้ให้แกมานดาบิดานจะเก็บไว้ในกุฏิของตนเองนี่สิบวันยี่สิบวันก็ไม่มีอบัตอะไรเพราะว่าไม่ได้เก็บไว้ฉันเก็บไว้ให้แกมานาบิดานก็ฉะนั้นเวลาที่เอาไปให้กับมานาบิดาน มดดาบิดาก็หุงอาหารนั้นถวายพระภิกษุชื่อว่าไปของมรดาบิดาไปแล้วให้จุดฉันสมควรไม่หนีโทษอะไรถึงแม้ข้าวสารนั้นไม่ได้รับประเคนมาก่อนเอามาให้มรดาบิดามารดาบิดาเอามาหุงให้ฉันก็ไม่เป็นอบัตเพราะว่าสันิธิด้วยไม่เป็นอุกหิต ด, ด้วยเทศสุปิดฝาต้มน้ําร้อนให้เดือดควรบริโภคได้จนกว่าจะหมดแต่ถ้า คี่เถ้าตกลงในน้ำร้อนนี้พึงรับประเคนเพราะฉะนั้นบางที่ท่านก็ต้มด้วยฟืนใช้กาต้มท่านก็ปิดฝาแล้วก็ปิดปากกาหมดเลยกลัวว่าที่เถ้ามันจะเข้าไปแต่ว่ากลิ่นของฟืนเนี่ยมีถ้าใชใ้ฟืนต้มเพราะฉะนั้นกลิ่นนั้นก็ไม่เป็นอบัตอะไรหรอกถ้าเกิดที้เท่ามันตกลงไปจริงก็ต้องรับประเคนใหม่เมื่อพิสูจเอาปากคีมด้ามยาวจับถ้วยหุงน้ามัน เท้าตกลงไปยาปล่อยมือเสียเขี้ยวไปจนได้ที่ลงแล้วเพิงรับประเพนใหม่ที่เท่านี้ก็ถือว่าเป็นอ ม, มิตรก็ยังไม่ได้รับประเพณแต่ถ้าเกิดเป็นที่เท่าที่เอาฟืนให้อนุสมัมพันธ์หรือสมณีนประเพนฟืนทั้งหมดเลยประเพนฟืนประเพณฐานไฟอะไรต่างๆแล้วก็มาต้มที่เท่ามันจะเข้าไปในกาน้ําหรือว่าในภาชนะน้ำก็ไม่จะไรเพราะว่าเราประเคนฟืนไปแล้ว ถ้าแม้่านก็ดีปืนก็ดีที่ษุเราประเเนวางไว้การรับประเเนเดิมนั่นแหละยังใช้ได้ที่ตุเคี้ยวฉันอ้อยอยู่สามเณรกล่าวว่าท่านให้ผมบ้างพิสตุบอกเธอว่าจงตัดเอาจากส่วนนี้ไปแล้วถือเอาก็ในส่วนที่ยังเหลือไม่มีกิจที่จะต้องรับประเเขนใหม่แม้สำหรับที่ษุผู้ฉันงบน้ำอ้อยก็ในนี้เหมือนกัน จริงอยู่อ้อยส่วนที่เหลือจากที่สมณีนตัดเอาจากโอกาสที่พิสุบอกไว้ยังไม่ละคือไม่ขาดการรับประเคนไปเลยพิสุเมื่อจะแจกงบน้ำอ้อยรับประเคนแล้วจัดไว้เป็นส่วนๆพวกพิสุก็ดีพวกสมณีนก็ดีมาแล้วจัดถือเอาคนละส่วนคนละส่วนโดยการหยิบครั้งเดียวเท่านั้นส่วนที่เหลือจากที่พิสุสมณีนหยิบเอาไปแล้วยังเป็นของประเคนอยู่จำเดิม ถ้าสามเนรโลเลจับจับวงๆังส่วนที่เหลือจากสามเนรนั้นถือเอาไปเป็นของไม่ได้รับประเคนต้องประเคนใหม่ถ้าสามเนนโลเลจับจับงวงๆังนี้ต้องประเคนใหม่พิสูตรรับประเคนกล้องยาสูบแล้วสูบยาสมัยนี้พระพสู่ก็สูบบุหรีกันแต่ว่าก็สูบยานี้ยพระสูบเพื่อแก้โรคต่างๆให้สู่สูบบุหรี่สมัยนี้แก้โรคอะไรอย่างนี้ก็ต้องพิจารณา ที่สุดเราประเคนกล้องยาสูบแล้วก็สูบยาปากและคอเป็นเหมือนทาด้วยมโนศิลาจะฉันยาวะกาลิกได้อยู่ไม่มีโทษเนื่องด้วยยาวะชีวิตกับยาวะกาลิกตะควนกันก็จะฉันยาวะกาลิกนี่คืออาหารแต่ว่ายาสูบนี่เป็นยาวะชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าสูบยาเข้าไปแล้วก็ปากคอมันเหมือนกับเปื้อนด้วยมโนศิลาทาด้วยมโนศิลาบางครั้งก็ปลาดำอะไรต่างๆเนี้ยนะ ถ้าไปชันอาหารก็คือยาวะการิสไม่มีโทษเพราะว่ายาวะการิสกับยาวะชีวิตตะคนกันเมื่อพิกษุระบมบาดหรือว่าต้มน้าย้อมควันเข้าไปทางช่องหูและช่องจมูกจะสูดดมดอกไม้หรือผลไม้เพราะว่าความเจ็บไข้เป็นปัจจัยควรอยู่เพราะว่าเป็นอับโคหาริสคือไม่ถึงการนับว่าเป็นอบับา การเร่ออ้วกอาหารที่ฉันแล้วออกมากระทบเพดานกลับเข้าไปในภายในอีกควรอยู่เพราะว่าเป็นเหตุผลวิสัยที่เร่อ อ, อ้ว ก, กออกมาถึงปากแล้วกลืนเข้าไปอีกเป็นอาบัตโตวิกาละโภชนะสิกขาบทถ้าเกิดเป็น อ, อ้วกออกมาถึงปากแล้วนะถ้าเป็นก่อนเที่ยงกลืนเข้าไปนี้ก็ไม่มีอาบัติแต่ถ้าเป็นหลังเที่ยงแล้วกลืนเข้าไปก็มีอาบัตเหมือนกัน รถของอามิสติดอยู่ในซอกฟันเข้าไปในลาคอก็เป็นอับัตเหมือนกันนี้ก็หมายถึงในเวลาวิการเพราะฉะนั้นก็ฉันอาหารเสร็จแล้วก็ควรจะแปลงฟันผู้ที่รักษาโบตกรตามหรือว่าพระพิตรฉันอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็ควรจะแปลงฟันซะเลยสาหรัแบผบู้ที่ฉันครั้งเดียวเพราะว่าถ้าโดยเที่ยงไปแล้วเสศษอาหารที่ติดอยู่ตามซอกฟันเกิดมันหลุดออกมาแล้วเข้าลาคอไปเป็นอับัต ในวิการณะโพชนาสิกาบทก็คือฉันอาหารในเวลาวิการถ้าอามิตรละเอียดรบไม่ปรากฏจัดเข้าในฝักฝายแห่งอัปโภหาริเมื่อเวลาจวนแจคือเวลาใกล้เที่ยงที่สุดชั้นอาหารในที่ไม่มีน้ำขากบว้วนน้ำลายทิ้งสองสามก้อนแล้วพึงไปยังที่มีน้ำบ้วนปากเถิดพอฉันเสร็จก็เที่ยงพดีให้ขากบว้วนน้าลายทิ้งเสีย ในเตจอาหารที่อยู่ในคอเนี่ยมันออกไปแล้วก็ไปหาน้ําบ้วนปากนอขิงที่รับประเคณเก็บไว้เป็นต้นงอกออกไม่มีกิตที่จะต้องรับประเคียนใหม่เมื่อไม่มีเกลือจะทําทเกลือด้วยน้ําทะเลควรอยู่น้ําเค็มที่พิุรับประเคีนเก็บไว้กลายเป็นเกลือหรือเกลือกลายเป็นน้ําน้ําอ้อยสดกลายเป็นน้ําอ้อยแค่นหรือน้ําอ้อยแข็นกลายเป็นน้ําอ้อยเหลวไป การรับประเค้นเดิมนั่นแหละยังใช้ได้อยู่มันเปลี่ยนสภาพไปก็จริงแต่ว่าการรับประเค้นก็ไม่ขาดหิมะและลูกเห็บในปัจจุบันก็เอาน้ําแข็งไว้แล้วกันเลยคล้ายกันนะนะมีคติอย่างน้ํานั่นแหลพวกพิสุกวนแก่งน้ําให้ใสด้วยมเมล็ดผลไม้ที่ทําน้ําให้ใส่เรียกว่ามเมล็ดตุ่มกาปัจจุบันก็สารต้มอะซึ่งเก็บรักษาไว้น้ํา มีน้ำที่กวนให้ไสเป็นต้นนั้นเป็นอัโภหาลิกระคนกับอามิสก็ควรก็ฉันได้ไม่มีอบบัตอะไรแต่ว่าสารส้มมันละลายลงไปในน้ำเพราะฉะนั้นก็ควรจะต้องรับประเคนสารส้มถ้าจะฉันน้ำนั้นนะนะปัจจุบันก็ไม่มีแล้วละเพราะว่าใช้น้ำปปาน้ำปปาก็ใส่คอรีนลงไปเหมือนกันนะคอรีนที่ใส่ไปเล็กน้อยมากมีกลิ่นนิดหน่อย ก็เป็นอโภาหาริน้ําที่กวนให้ใสด้วยผลมะกรีดเป็นต้นมีสติเหมือนอามิตรควรแต่ในเวลาก่อนฉันเท่านั้นตอนเที่ยงอนะน้ําในสระโบกขอตรมีเป็นต้นขุ่นข้นก็ควรแต่ถ้าว่าขุ่นข้นนั้นติดปากและมือไม่ควรน้ํานั้นควรรับประเคสแล้วจึงบริธโภคก็ต้องกรอง น้ำขุ่นข้นในสถานที่ถูกไถในนาทั้งหลายพึงรับประเขหถ้าน้ำไหลลงสู่ลำธารเป็นต้นทำแม่น้ำให้เต็มควรอยู่ก็คือไม่ต้องรับประเขนน้ำนี้ไม่ต้องรับประเคนเพราะฉะนั้นถือน้ามาแล้วก็เอามากรองกระฉันได้เลยชลาลายมีบึงซึ่งมีต้นกลุ่มเป็นต้นมีน้ำอันดาระดาษไปด้วยดอกไม้ที่หล่นจากต้นถ้ารดดอกไม้ไม่ปรากฏ ไม่มีเกียรติที่ต้องรับประเคีนใหม่ถ้าน้ําน้อยมีรถปรากฏถึงรับประเคีนแม้ในน้ําที่ปกคลุมด้วยใบไม้สีดําในลาธารทั้งหลายมีต้อเข่าเป็นต้นก็ในนี้เหมือนกันก็คือถ้ามีรถหรือว่าเริ่มที่จะมีสีดําอันนี้ก็ต้องมาประเคีนมากรองให้ดีดอกไม้ทั้งหลายมีเกษรก็ดีมีน้นํานมที่คั่วก็ดี เขาใส่ลงในหม้อน้ำดื่มพึงรับประเทนหรือว่าดอกไม้ทั้งหลายที่พิสูจน์รับประเทนแล้วพึงใส่ลงไปเถิดดอกแคร์ฝอยและดอกมะลิเป็นของที่เขาใส่แช่ไว้น้ำคงอยู่เพียงถูกอบ ก, กลิ่น น, น้ําน้ำเป็นอภาริก็ไม่ต้องรับประเทนควรตบอามิตรแม้ในวันรุ่งขึ้นสามเณตักน้าดื่มจากน้าดื่มอกดอกไม้ที่พิสูจน์เก็บไว้ แล้วเทน้ำที่เหลือจากที่ตนดื่มแล้วลงในน้ำดื่มนั้นอีกเพื่อรับประเคนใหม่แต่ว่าสำเนียงก็อาปาไปถูกต้องที่จอหรือว่าที่แก้วแล้วตักน้ำดื่มมงมาแล้วเหลือก็เทลงไปในภาชนะนั้นอีกอันนี้ก็เป็นมรารยาทที่ไม่ดีคนจะรังเกียจ ด, ด้วยแล้วก็คือน้ำลายเนี่ยมันเปื้อนแก้วก็เปื้อนน้ำนันด้วยน้ำลายของสำเนียงก็เป็นอาิต็ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเทลงไปในน้ำนั้น ต้องรับประเพนใหม่แต่ถ้าเกิดพระพิุไหนดังเกียดหรือว่าเกิดความปฏิกูลก็อาจจะไม่กล้าฉันเลยกา จ, จะเททิ้งไปเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรทําอย่างนี้พิสุจะเอาหม้อน้ําแกงแหวกเกสรดอกไม้ที่แผ่คลุมน้ําอยู่ในสระบัวเป็นต้นออกไปแล้วตักเอาแต่น้ําควรอยู่ไม้สีฟันที่พิสุให้ทําเป็นกัปปิยะแล้วรับประเกณเก็บไว้ ถ้าภิกษุประสงค์จะดูดรสแห่งไม้สีฟันนั้นการรับประเคีนเดิมนั่นแหละสมควรอยู่สามารถที่จะดูดรสนั้นแล้วก็กลืนได้เลยนะเพราะรับประเคีนแล้วที่ไม่ได้รับประเคนีนเก็บไว้ต้องรับประเคนีนแม้เมื่อรสเข้าไปในลำคอก็เป็นอาบัติแกภิกษุผู้ไม่รู้เหมือนกันจริงอยู่สิกขาบทนี้เป็นอาคิตตกัอันนี้ก็เป็นสิกขาบทที่อยู่ในเรื่องของการรับประเคนอาหารยกเว้นน้ากับไม้สีฟัน น้ำกระไม้สีฟันไม่ต้องรับประเคียนถ้าน้ําเป็นน้ําที่ไม่มีรสไม่มีสีทั้งต่างส่วนไม้สีฟันนั้นอะ่ะไม่ต้องรับประเคียนแต่ถ้าจะดูดรสของไม้สีฟันนั้นก็ต้องรับประเคียนเผื่อมันจะหลุดเข้าไปในลําคอยาสีฟันนี้ก็ต้องรับประเคียนแม้ว่าเราไม่ได้กินยาสีฟันเข้าไปก็จริงแต่ถ้าเกิดไม่ได้รับประเคียนไว้และถ้าเกิดรสของยาสีฟันนั้นล่วงเข้าไปในลําคอก็เป็นอันตรสยจิตใจ เพราะฉะนั้นต้องรับผกเคสหรับยาที่ฟันถามว่าบรรดามหาพุทรโลกอะไรควรอะไรไม่ควรตอบว่านมสดสมควรก่อนจะเป็นนมสดแห่งสัตว์ที่มีมังสะเป็นกัปปิยะหรือนมสดแห่งสัตว์ที่มีมังสะเป็นอกัปปิยะก็ตามทีเมื่อพิสุ ด, ดื่มไม่เป็นอาผักนมสดนี้ดื่มได้จะเป็นนมสดของพวก เสือพวกช้างของมนุษย์ก็แล้วแต่นมสดเนนะของวัวควายได้ถึงนั้นอันนี้หมายถึงหนาพุทธรูปในร่างกายของคนสัตว์เนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นก็คือนมสดส่วนวัตถุพวกนี้ก็คือน้ําตาน้ําลายน้ํามูกน้ํามูดน้ำมูดคือปัสสาวะกรีบก็คืออุจจาระสเลดมูลฟันก็คือขี้ฟันนั่นแหละคู่ตาก็คือขี้ตาคู่หูก็คือขี้หู สาเกลือก็คือเหงือใครที่เกิดในร่างกายควรทุกอย่างหมายถึงว่ามันเป็นมหาพูดที่อยู่ในร่างกายถ้ามันยังไม่ได้หลุดจากที่เกิดของมันเนี่ยก็เข้าไปในปากแล้วก็ไม่เป็นอาบัติแต่บรรณาสิ่งเหล่านี้สิ่งใดเคลื่อนจากแหล่งของมันแล้วตกลงในบากก็ดีที่มือก็ดีสิ่งนั้นต้องรับประเคียนใหม่สิ่งที่ยังติดอยู่ในอวัยุวะ เป็นอันรับประเคณแล้วแท้รผะ น, นั้นของในร่างกายเราชื่อว่าเป็นการรับประเคณทั้งนั้นเลยที่ตาที่หูไม่รู้จะรับประทานคืออะไรคงไม่มแใครรับประทานแต่ที่เกิดมันเกิดเข้าปากไปโดยที่มันยังไม่ได้หลุดจากที่ของมันอันนี้ก็ไม่ไม่เป็นอับัตเมื่อพิกษุฉันข้าปลายาตรร้อนเหงื่อที่ติดตามนิ้วมือแล้วติดอยู่ที่ข้าปลายาตรหรือว่าเมื่อพิกูจนเที่ยวบินธบาต เหือไหลจากมือถึงขอบปากบาดลงสู่ก้นบาดในบาดนี้ไม่มีกิจที่จะต้องรับประเพณเพราะฉะนั้นเราจะหยิบวัตถุต่างๆเช่นตอนนี้เขามีการนิยมดื่มน้ำปัสสาวะกันนะไปตรถ้าเกิดปัสสาวะไตภาชนะเนี่ยก็ชื่อว่าหลุดจากฐานที่มันเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ถ้าลองใส่มืออันนี้ก็ไม่เป็นไรจะดื่มโดยที่ลองใส่มือแล้วก็จะใส่แก้ที่หลังก็ไม่เป็นไร ไม่มหาผู้ที่เผาแล้วควรทั้งหมดแต่ที่เผาไม่ดีไม่ไม่สนิทไม่ควรก็พิสูจนจะบดแม้กระดูกมนุษย์ที่เผาดีแล้วให้เป็นผงแล้วโรยลงในของลิ้มควรอยู่อันนี้ก็แปลกคงมีที่นี้ที่เดียวนะว่ากระดูกของมนุษย์เอาไปเผาแล้วก็บดให้เป็นผงโรยในในของลิ้มเนี่ยได้แต่ว่ากระดูกนี้มีแคลเซียมสูง มีแคลเซียมปัจจุบันก็นิยมที่จะรับประทานปลาตัวเล็กๆมันมีกระดูกที่มีแคลเซียมมากนั้นกระดูกมนุษย์นี้ก็ยังสามารถที่จะเอาไเผาแล้วก็ทำให้เป็นผงโรยลงในของลิมเช่นน้ำผึ้งเป็นต้นแล้วก็บริโภคควรจะแก้โรคอะไรต่างๆเลยนะเมื่อไม่มีกับยาการะดกจะถือเอายามหาวิกัดสี่ชั้นแม้เองก็ควร ยามหาวิกัรก็คือมูดคูดเท่าดินเมื่อเวลาที่ถูกงูกัดก็จะเอามูดคือปัสสวะคูดก็คืออุจจาระแล้วก็ที่เท่าแล้วก็ดินมาผสมรวมกันแล้วก็ฉันก็ในอันธิการแห่งยามหาวิกัรนี้กับยะการกเป็นคนว่ายากก็ดีเป็นผู้ไม่สามารถก็ดีย่อมตั้งอยู่ในฝักฝ้ายไม่มีเหมือนกัน เมื่อเท่าไม่มีทิศุปืงเผาไม้แห้งเอาเท่าเมื่อไม้ปืนแห้งไม่มีแม้จะตัดปืนสดจากต้นไม้ทำเท่าก็ควรก็ยาหมูงูกัดทั้งสี่อย่างนี้ชื่อว่าอนุญาตเฉพาะการควรแต่ในเวลาถูกงูกัดเท่านั้นถ้าถูกงูกัดต้องอนุญาตให้ตัดไม้สดมาเผาเป็นที่เท่าขุดดินเอามาแล้วก็มาผสมรวมกับขวดมูดฉันแก้ ง, งูกัดอันนี้ก็พิเศษมียาของพระพุทธเจ้า สมัยนี้ก็คงไปนู่นแหละสาวกพาก็คงจะไม่มีใครทำอย่างนี้หล้กอันนี้ก็เป็นเรื่องของการรับตะเค็นกระถาวินิจฉัยเรื่องการรับประเคตในบาลีมุตตก ะ, ว, ะวินัยวินิจฉัยสังค ห, หะว่าตกแล้วขอให้ท่านทั้งหลายเป็นผูท้ที่ทรงคําสอนของสองมาสมุจจ้ามีพระสูตรพระวินยัยแล้วก็พระพิธรรมมีศีลเป็นพื้นฐานอบรมสมาธิอบรมปัญญาเพื่อรู้แจ้งอริยสัจธรรม บรรลุเป็นพระอริยบุคคลแล้วก็สิ้นทุกข์ตำตาลตันด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุ